ต่อจากนี้ไปท่านจะได้ฟังธรรมะเรื่องวันที่ต้องบูชา48โดยสมณทซาบซึ้งสิริเตโชได้แสดงธรรมไว้เมื่อวันที่23กุมภาพันธ์2548ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้นบัด น, นี้ค่ะ วันนี้ที่พันเตท่านก็บอกแล้วนะวันนี้เป็นวันดีเป็นวันแห่งความรักในทางาศาสนาพุทธนะของฝรั่งเขาอะไรนะวันมาเดนไทายอของพุทธนี่ก็เรามีวันมาค้บูชาเป็นวันแห่งความรักวันนี้จริงๆตั้งแต่เช้ามาโหญาโยมก็มาใส่บ่ายกันเยอะ พอสมควรเลยนะแต่บางคนใส่เสร็จแล้วก็กลับบ้านแล้วมัง้งจริงๆความสำคัญของวันเนี้ถ้าโดยชาวพุทส่วนใหญ่นะจะคิดเรื่องใส่บาตรแล้วก็จบคือพอใส่บาตรเสร็จแล้วก็จบละจบจริงๆอะ่ะพอพอก็ใส่เสร็จเาก็จะยกใชย่ยกมือขึ้นประนมซึ่งบางทีเขาเรียกประจบใช่ไมหรือว่าบางทีก็จบก่อน อะไรนะใส่หรือใส่เสร็จแล้วก็จบซึ่งอันนั้นอ่ะจริงแล้วมันยังไม่จบนะถ้าจะให้จบเนี่ยที่สำคัญเนี่ยคือเราทำบุญใส่บาทพระเนี่ยก็อาจจะได้ในเรื่องของวัตถุทานนะอาจจะได้เรื่องในวัตถุทานเป็นเป็นสำคัญแต่การ ไหนๆก็อุตส่าห์มาถึงหน้าวัดแล้วนะวันนี้ก็เป็นวันหยุดด้วยเดยนส่วนใหญ่จริงๆน่าจะหาโอกาสหาเวลาได้ฟังเทศฟังธรรมซึ่งบางทีก็ไม่ค่อยได้มาวัดอยู่แล้วแล้วก็ไม่ค่อยได้ฟังธรรมซึ่งสิ่งเหล่านี้อาตจมาว่ามันขาดแคลนมากๆยู่แล้วเพราะนั้น เป็นวันหยุดแล้วก็เป็นวันสำคัญในพุทธศาสนาซึ่งเราต้องให้ความสำคัญซึ่งยิ่งวันเนี้ยเป็นวันมาคบูชาแหมอุตส่ามาทำบุญใส่บาตรถึงหน้าวัดแล้วนะก็น่าจะเดินเลยเข้ามาในวัดเสร็จแล้วก็น่าที่จะแบ่งเวลาให้กับธรรมะมีโยมบอกว่าท่านไม่ชวนนี่อาตรมาบอกแหม นี่เป็นวันสำคัญเป็นวันมาค บ, บูชานะซึ่งจริงๆพวกเราอัตมาว่ามันน่าจะอยู่ในใจแล้วลนะ่ะน่าจะอยู่ในใจจริงๆอุตส่าห์มาทําบุญถึงถึงหน้าวัดแล้วนะก็แสดงว่าต้องมีอยู่ในใจแล้วใช่ไหมอไม่ไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่แค่ในวัดนี่หรอกอัตมาเห็นแม้แต่ทางวิทยุทางโทรทัศน์ทางอะไร เขาก็ประกาศเขาก็ชวนเชิญแต่ส่วนใหญ่บางทีเขาชวนให้ไปตอนไหนพอทศทำบุญใส่บาตรตอนเช้าใช่ไหมเสร็จแล้วก็ตอนเย็นก็ไปไปไหนเออไปเวียนเทียนซึ่งเวียนเทียนก็ถ้าคิดให้ดีนะคิดให้เป็นบุญเป็นกุศลก็ให้เข้าใจความหมายมาเออไปเวียนรอบโบสถ์อย่างเงี้ยสามรอบ แต่ทุกวันนี้ก็ไม่รู้ว่าพอจะเข้าใจความหมายไหมออทำไมจะต้องไปเวียนรอบโบสถ์แล้วทำไมรอบเดียวไม่ได้เลยทำไมต้องสามรอบออแล้วก็บทเนี่ยโบสถ์นี่ส่วนใหญ่เขาใช้เป็นที่อะไรโบสถ์เนี่ยออกะบอกพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆเช่นอะไรที่สำคัญ อ, อัก็บวทโดยเฉพาะบวชพระหรือว่าแสดงธรรมใช่ไหย ได้ฟังเทศฟังธรรมกันอันจริงๆเนี่ยให้ไปเดินเบียนรอบบวชสามรอบก็คืออะไรคือให้เราลึกนะว่าเออเราลึกถึงความสำคัญความสำคัญที่เอาอย่างเช่นเนี่ยการบวชเนี่ยก็คือป่าวชะเนี่ยที่แปลว่าบวชบวชก็คือการเว้นออกจากกามเว้นจากสิ่งไม่ดีต่างๆเพราะนั้นการไปเบียนรอบบวชเนี่ยจริงๆก็เหมือนกับให้ เราลืกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นแหละคือให้เราลึกถึงสิ่งดีๆที่เราเนี่ยจะได้ลดละเว้นจากจากบาปหรือว่าจากความผิดนะความเลวร้ายต่างๆอะไรในชีวิตที่เรามีที่เราเป็นหรือว่าที่เราเคยเนี่ยเราจะได้เราลึกถึงแล้วก็จะได้เออละเว้นซะเพราะจริงๆเป้าหมายก็คืออย่างนั้นแหละแต่ทุกวันนี้บางทีก็ไปเดิน เฉยอ่ะเดินเพื่ออะไรเดินเพื่อให้เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตแต่ไม่รู้หรอกนะว่าให้เป็นสิริมงคลอะไรก็ถือว่าถ้าไปเดินแล้วสามรอบแล้วได้บุญแล้วกลับบ้านพอใจได้บุญอืเหมือนกับอาตมาขอยยกตัวอย่างนะว่าเอายางใส่บาตรเนี่ยบางคนใส่บาตรใส่บาตรเสร็จอ่าบอกแล้วพอจบเสร็จก็อ่าเรียบร้อยได้บุญละ บางคนก็เอามือลูบหัวด้วยใช่ไหมใส่บาศเสร็จแล้วก็เอามือลูบหัวถือว่าอะไรรับบุญมานะแล้วเอาบุญ<ส>อัดใส่หัวเรียบร้อยนะได้บุญและอิ่มแล้วเอากลับบ้านด้วยความอะไรอ่ะปิติใจนะโดยที่บางทีก็ไม่รู้นะอะไรคือบุญอา้าไม่รู้จริงๆบางคนไม่รู้อ่ะแต่ก็คิดเอาว่ า, าได้บุญแล้วล่ะเนี่ยก็ไม่รู้บุญหน้าตาเป็นยังไงตัวตนเป็นยังไงก็ไม่รู้ แต่ว่าดีใจละที่ได้เพราะจริงๆเนี่ยการมาทำบุญใส่บาตรพระเนี่ยเป้าหมายที่สาคัญเนี่ยที่จะได้เป็นบุญเลนะคำว่าบุญเนี่ยมาจากภาษาบาลีว่าปุญญะเนี่ยปุญญะแปลว่าเครื่องชาระกิเลสหรือว่าเครื่องเผาผลาญกิเลสเนี่ยให้กิเลสมันลดลงให้กิเลสมันหมดไปเพราะฉะนั้นการใส่บาตรจริงๆไม่ต้องไม่ต้อง แค่ใส่บาตพระนะการที่เราไปเสียสละอะไรเนี่ยเอาเข้าของไปให้ใครก็ตามไม่ใช่แค่เรื่องของใส่บาตพระเป้าหมายก็อยู่ที่การหัดเสียสละเนี่ยเป็นบุญแล้วเราจะไปอะไรอ่ะเอาเงินไปทาบุญให้กับคนยากจนทางใต้เขามีอะไรน ะ, ะคลื่นยักษ์ถลมนามี่ะนะ ก็ช่วยกันส่งข้าวของไปส่งเงินทองไปบางคนก็ส่งทั้งตัวเลยส่งทั้งเรี่ยวแรงเลยนะไปช่วยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็เป็นบุญเพราะฉะนั้นจะให้เห็นไหมว่าเนี่ยถ้าเราเข้าใจนะว่าเออมาทาบุญใส่บาตรพระเนี่ยอ๋อเป้าหมายอยู่ที่หัดเสียสลัหัดให้ให้นี่ต้องต้องให้ทานถูกต้อง้วยนะ พระพุทธเจ้าท่านสอนหมดนะ่ะท่านสอนตั้งแต่ก่อนจะให้ทานละก่อนจะทำบุญนี่ถ้าเอาสมมติก่อนจะใส่บาตรพระอย่างเช่นบางคนเนี่ยเอายกขึ้นมาใช่ไหมเสร็จแล้วก็ขอให้ลูกช้างจริงๆตัวเล็กนิดเดียวนะแต่ขอให้ลูกช้างแมถูกไว้ขอให้ลูกช้างร่ารวยอ่ขอให้ลูกช้างอะไรปราศจากโรคภัยทั้งปวง โอ้โหลูกช้างจริงๆเลยคือจริงๆตัวเล็กนิดเดียวนะแต่ว่าอยากได้ใหญ่เลยเกินนะเลยบอกว่าลูกช้างเพลูกช้างใหญ่ก็ลูกโคนต้องเยอะนั่นจะให้เห็นเลยว่าอันนี้ไม่ถูกละไม่ถูกตั้งแต่ต้นละเพราะพระพุทธเจ้าท่านจะสอนไว้เลยว่าก่อนที่เราจะทําบุญเนี่ยหรือจะใส่บาตรพระหรือจะเอาข้าวของอะไรไปให้ใครก็ตามแต่จะต้องให้ด้วยจิตเป็นยังไง จิตเป็นกุศลให้ดี่ต้องให้อย่างไงให้แบบขาดเลยไปซื้อข้าวของเนี่ยเขาบอกขายขาดขายขาดนี่คื อ, อยังไงอืมขายแล้วก็ไม่รับคืนด้วยนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นก่อนที่เราเนี่ยจะทำบุญทำทานเนี่ยโดยเฉพาะเอาละยิ่งมาทำบุญใส่บาปพระเนี่ยพระเจ้าท่านสอนเลยว่าอย่าไปคิดโลภ ไปขอนั่นขอนี่ขอน่อนนะที่นี่เนี่ยพอท่านบอกว่ า, าศาสนาพุทธไม่ใช่าศาสนาของคนขี้ขอนะักเที่ยวขอใหญ่เลยขอเอานี่ไม่ได้นะพระเจ้าท่านสอนไว้ในพระเตมิโตกเนี่ยท่านยืนยันเลยว่าขอเอาไม่ได้วันาศาสนาพุทธไม่ใช่าศาสนาของคนขี้ขอาศาสนาพุทธเนี่ยทําบุญแล้วให้ขาดไปเลยคือไม่หวังผลตอบแทนกลับมา นี่คือหลักการของศาสนาพุทธวันให้แล้วต้องให้จริงๆไม่ใช่ให้แบบแลกเปลี่ยนถ้าแบบว่าเราเราเอา้าถวายอาหารถวายข้าวของอันสมควรเนี่ยให้กับพระท่านแล้วเนี่ยเสร็จแล้วเราก็ตั้งจิตของเราอนะนะโอ้โหบางคนอธิษฐานใหญ่เลยบางคนใส่บาเศเสร็จสมณะต้องรอต้องนานเนี่ยเพราะว่าโอ้โหโยมอธิษฐานอะไรไม่รู้ นานหรือเกินกว่าจะเสร็จได้เนี่ยแหมกว่าจะสมณะจะเดินไปได้เราก็ต้องรอยมอธิษฐานก็ไม่รู้นะคือ <laughs> ตั้งนานเนี่ยไม่รู้จะสวดชินบัญชร อ, อะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้ด้วยแต่นานหรือเกินแต่ถ้าขออะไรนี่นะบอกแล้วว่าไม่ใช่แล้วก็พู้เจ้าท่านไม่สอนด้วยเพรพนาะพรานันผู้เจ้าเนี่ยทำไมบางทีเนี่ย เห็นไหมโดยทั่วๆไปเนี่ยว่าพอเขาทําบ ah ุญเสร็จนะจะไม่รู้ละอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ตายหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เสร็จแล้วเขาจะกรวดน้ำเห็นไหมที่ยิิงการกรวดน้ำนะไม่ใช่ศาสนาพุทธนะเป็นของศาสนาพราหมณ์พระพุทธเจ้าเนี่ยมีบางอดีตชาติที่ท่านอยู่ในศาสนาพราหมณ์คืออดีชาตินะยังไม่ได้มาเป็นพระพุทธเจ้า ท่านสมัยเป็นพราหมณ์เนี่ยท่านก็มีท่านก็กวดน้าําเหมือนกันแต่อันนั้นน่ะท่านก็บอกว่าอันนั้นเป็นของพราหมณ์ซึ่งพราหมณ์เนี่ยความหมายเขาก็ดีอ่ะถ้าถ้าเอาความหมายจริงๆของพราหมณ์เขา <Scroll. S 1> เขาก็ทําไมทําบุญเสร็จแล้วให้มันกวดน้ํากวดน้ําก็คืออะไรของของไทยเราเนี่ย like ไทยเรานี่ก็กวดน้ําไม่เหมือนของจริงเขาหรอกนะกวดน้ําของจีนนี่เขาต้องลงไปอยู่ในน้ําเลยพราหมณ์เนี่ยต้องลงไปอยู่ในน้ําเสร็จแล้วเขาจะควักน้ําขึ้นมาเนี่ย แล้วก็ค่อยๆปล่อยน้ําให้ไหลจากมือเนี่ยกลับคืนลงไปสู่แม่น้ําตามเดิมอใช่เขาจะลงไปอยู่ยิ่งถ้าเขาถือว่าแม่น้ําคงคาเป็นแม่น้ําศักดิ์สิทธิ์เขาก็จะไปแช่ตัวอยู่ในน้ําเลยแล้วก็กอบน้ําขึ้นมาแล้วก็เอาน้ําเนี่ยเทไหลลงไปสู่แม่น้ําตามเดิมส่วนไทยนี่เราไม่ได้ไปแช่ในน้ําอะ ใช่ไหมเราก็มีแก้วน้ํามีเหยื่อน้ําอะไรมาเรียบร้อยอพอทําบุญเสร็จก็เป็นยังไงไหนใครเคยทำบ้างยกมือเห็นไหมโอ้โหเกือบทั้งกันเลยใช่ไหมเสร็จแล้วไปเทที่ไหนที่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็โชคดีหน่อยนะบุษราไปรดน้ําต้นไม้ไปเทให้ตดนไม้ซึ่งกระเทรลดต้นไม้น้ําก็ไหลรดต้นไม้เสร็จมก็ไหลลงดินไปใช่ไหม ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยความหมายก็ดีนะพราหมณ์เขาก็ก็ความหมายใกล้เคียงกับของพราหมณ์เขาคือต้องการให้เราเนี่ยเทน้ําทิ้งไปเนี่ยคือให้ไปนั่นเองสมมุติเราไปให้ต้นไม้แล้วคนนี้ใช่ไหมให้เสร็จน้ำเนี่ยมันก็ไหลลงไปสู่ดินดินก็ดูดซับน้ําลงไปเราก็ไม่สามารถเอาน้ําคืนกลับมาได้เพื่อง่ายให้แล้วก็ให้ขาดเลยเหมือนกันจริงๆความหมายก็คืออย่างนั้นแหละ ก็มีส่วนดีแต่ต้องเข้าใจทุกวันนี้เข้าใจอย่างนี้หรือเปล่าล่ะอย่างที่อาตมาพูดหรือเปล่าไม่เลยไอ้ที่กวดน้ําเพราะอะไรเพราะถ้าไม่กวดเดี๋ยวไม่ได้บุญใช่ไหมเพราะมันเพี้ยนไปเลยมันผิดไปเลยซึ่งซึ่ ง, ซ, ง, ซ, งซึ่งกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นความคิดผิดเป็นความหลงผิดกลายเป็นว่าถ้าเสียสละอย่างเช่นใส่บาตรพระหรือว่าทําบุญอะไรไปให้ใครแล้วก็ตาม ถ้าไม่กวดน้ำเนี่ยจะไม่ได้บุญถูกไหมไปเข้าใจผิดอย่างนี้แล้วไปหลงผิดขอใช้คำนี้เลยเพราะฉะนั้นไม่ใช่จริงๆแล้วศาสนาพุทธนี่ไม่ต้องเลยไม่ต้องมีการกวดน้ำพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านถือว่าถ้าทำบุญปับ๊บได้ปุ๊บทันทีทันทีที่ทำก็ได้ทันทีเพราะฉะนั้นก่อนจะทาเนี่ยท่านถึงบอกว่าเนี่ยต้องมีสัมมาทิฏฐิ ต้องมีจิตที่เป็นกุศลอย่าไปคิดเอาแรกเปลี่ยนกับคืนมาวันอันนี้ก่อนนะก่อนจะทานะเสร็จแล้วตอนจะทำคราวนี้ตอนจะทาบุญเนี่ยข้าวของนั้นก็จะต้องเป็นของที่พูดง่ายว่าไม่ผิดกฎหมายหรือไม่ผิดศีลไม่ใช่ไปโกงใครเข้ามาไปอะไรเนะ่ไปฉกคิงวิ่งเราไปอะไรเข้ามา มีเหมือนกันไหนมามีข่าวเมื่อเร็วๆเนี้มีคนค้ายาเสพติดค้ายาบ้าเสร็จแล้วเนี่ยเขาเป็นคนค้ายาบ้าอยู่แล้วล่ะเสร็จแล้วค้าไปค้ามามันเกิดไอ้ทางใต้เกิดขึ้นสึนามิเนี่ยโอ้โหคนเรามันไม่ได้เร็วล้อยปอร์ซนหรอกนะค้ายาบ้านี่ก็เร็วแล้วนะแต่คนเราเนี่ยแหมมันไม่มีใครเร็วหมดร้อยเปอร์ซ็นต์พอเขาได้ข่าว ไอ้คลื่นยักษ์ซึนามิมาโอ้โหคนตายเยอะแยะเขาก็เลยรู้สึกว่าเออแหมเขาก็น่าจะส่งเงินไปช่วยบ้างอาเจ้าหมอนี่นะค้ายานะก็มีได้เงินมาใช่ไหมเขาก็เลยเออเอาก็แบ่งเงินมาบ้างเอาส่งไปช่วยคนทางใต้ปรากฏว่ายิ่งส่งเงินไปช่วยทางใต้โอ้โหเลยยิ่งค้ายาดีใหญ่เลยนี่นี่เป็นความเข้าใจผิดและเป็นความคิดผิด เขาก็เลยคิดว่าเออโอ้โหยิ่งได้เงินมาแล้วยิ่งมาทำบุญยิ่งทำมาค้าขึ้น <c oughs> เขาค้ายานะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกโอ้โหอย่างงี้มันยิ่งดีนี่เพราะฉะนั้นเขาก็เลยยิ่งค้ายาโดยที่เรานี้บอกกับพวกเสพยาเลยนะบอกว่าถ้าซื้อยาบ้าจากเขาแล้วเขาจะแบ่งส่วนหนึ่งไปทำบุญ <c oughs> ก็ปากอยเขาเลยยิ่ง ขายยาบ้าดีใหญ่เลยนี่เป็นความหลงผิดมากเลยอัตมาต้องบอกโอ้ทําไมมันหลงผิดบ้าปประบอกไปถึงขนาดนี้เพราะรู้อยู่แล้วว่าเป็นอบายมุกเป็นสิ่งที่ผิดศีลและธรรมเพราะนั้นอะไรที่ผิดศีลเนี่ยทําไปก็ได้บาปอยู่แล้วไม่ใช่ได้บุญส่วนเงินที่ได้มาเนี่ยสมมุติว่าเขาขายยาบ้าใช่ไหมเงินที่ได้มาเนี่ยจริงๆ ไม่ใช่เงินของเขาอยู่แล้วเพราะเงินในส่วนเนี้ขายในสิ่งที่ผิดเท่ากับเอายาพิษไปให้คนอื่นเนี่ยเอายาพิษไปให้คนอื่นเนี่ยนะแล้วคนอื่นเขาแถมเงินมาให้ผู้อื่นคนอื่นก็แถมเงินมาให้อ่ะจริงๆเงินนี้ไม่พอรักษาโรคเขาด้วยซ้าไปนะเพราะเขาต้องติดพิษไปใช่ไหเออาเขาจะต้องเจ็บป่วยเขาจะต้องได้ไข้หรือเผลอๆถึงตายด้วยหรือเผลอๆยาบ้าแล้วไม่ได้เนี่ยดูซิ โอ้โหไปเช่อดคอใครต่อใครเขาเห็นไหมไปทำเลวทำร้ายเพราะนั้นตรงเนี้ยจะต้องเข้าใจให้ถูกต้องเพราะมันไปขายเหล้าอย่างเงี้ยขายสิ่งเสพติดขายบุหรี่ขายอะไรที่มันเป็นอบายมุกอะ่ะที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเงินที่ได้มาเนี่ยจริงๆไม่ใช่ของตัวเองอยู่แล้วมันเป็นของคนอื่นเพราะไม่ใช่เป็นการแลกเปลี่ยนจากสิ่งที่ดีต่อสิ่งที่ดีด้วยกัน อ่ะสมมุติว่าเราไปซื้ออาหารการกินที่ดีที่ถูกต้องเนี่ยเออเราเอาเงินให้เขาเขาเอาให้ของเรามาเอาอย่างนี้เรียกว่าแลกเปลี่ยนกันถูกต้องใช่มแต่ถ้าเราเอาของไม่ดีเอาของไม่ดีให้คนอื่นเนี่ยจริงๆมันเท่ากับโกงเขาแล้วถูกไหมเอาของเลวเลวร้ายอ่ะแล้วเขาให้เงินมาด้วยเนี่ยแสดงว่าเราเนี่ยผิดตั้งแต่ต้นโกงตั้งแต่ต้นเหมือนกับเอาของปลอมเอาของไม่ดีของที่มัน ไม่ถูกต้องไปให้คนอื่นแล้วเกาแถมเงินมาให้เนี่ยเอาของเสียเสียมาเงี้ยแล้วอย่างเงี้ยเงินนั้นจะเรียกว่าแลกเปลี่ยนไหมไม่เรียกว่าแลกเปลี่ยนแล้วเพราะถ้าใครเข้าใจตรงนี้ได้ถึงจะรู้ว่าเุ้ยอย่าไปทําเวีนอย่าไปสร้างบาปอย่าไปทําอะไรไปค้าขายไปทําอะไรที่มันผิดศีลธรรมผิดบาปแล้วก็รวมไปทั้งบางทีผิดกฎหมายด้วยอย่างเงี้ยไปแลกเปลี่ยนม า, างเี้ยเพราะเงินต่างๆเหล่านั้นเขาเรียกว่าโกงเข้ามา ไม่ใช่เงินที่ตัวเองสมควรจะได้ตามทาอันนี้ไม่ใช่แล้วเพราะฉะนั้นเงินนั้นจริงๆไม่ถือว่าเป็นเงินแลกเปลี่ยนไม่ถือว่าเป็นเงินของเขาเพราะ้เงินนั้นต่อให้เอามาทาบุญเนี่ยเงินนั้นจริงๆเป็นบุญของคนอื่นไม่ใช่บุญของเขานะเพราะเงินมันเป็นเงินของคนอื่นอยู่แล้วไม่ใช่เงินของเขาตรงเนี้ยจะต้องมีสัมมาทิฏฐิจะต้องเข้าใจประเด็นตรงนี้ให้ได้ ถ้าใครเข้าใจตรงนี้ได้เนี่ยเราจะทําบุญแล้วได้ได้ผ ล, ลบุญได้โดยไม่ต้องไปคิดโลภได้โดยไม่ต้องไปขอเพราะใครทําบุญปุ๊บจะได้ปั๊บทันทีบุญจะเป็นของคนนั้นทันทีไม่ต้องรอกวดน้ําถึงบอกไม่ต้องเสียเวลากวดน้ํามีคนเคยมาถามวันเนี่ยทำบุญเสร็จแล้วจะต้องกวดน้ําให้ด้วยไหมเขาก็ใส่บาทเนี่ยแหละ มาก็บอกไม่ต้องหลอกโยมอันนั้นเป็นของพราหมณ์เขาของพูดไม่ต้องพระเจ้าท่านสอนไว้เลยใครทําบุญที่ไหนทําบุญเมื่อไรเวลาใดทําบุญปุ๊บยิตาชิเลยทําบุญกดปุ๊บติดปับ๊บทันทีนะได้บุญทันทีนะไม่ต้องรอช้าเหมือนกันนะในทางตรงกันข้ามไปทําบาปปุ๊บไม่ต้องกวดน้ํา บาทได้ทันทีเลยนะแล้วคนนั้นก็เดี๋ยวรอผลว่าผลจะออกเมื่อไหร่นะหวยหวยอันนี้ไม่ใช่หวยรัฐบาลหวยอันนี้เป็นหวยของวิบากกรรมนะแต่หวยอันนี้ออกสามงวดแล้วนะจะออกสามงวดงวดที่หนึ่งออกทันทีเลยหรือเขาเรียกว่ากรรมติดจรวดอ่ถ้าเป็นสมัยพุทธเจ้าเนี่ยท่านเรียกว่ากรรมเห็นผลทันตา นะอันนี้เนี่ยนี่เป็นอย่างหนึง่งส่วนอีกอ้วนหนึ่งก็จะออกในชาตินี้คือไม่รู้ว่าวันนี้พรุ่งนี้มรืนนี้หรืออีกอีกห้าปีอีกสิบปีไม่รู้แต่ชาตินี้แหละก่อนคุณตายแน่นอนหวยอันนี้จะออกนะนี่เป็นอย่างที่สองส่วนยามที่สามพระเจ้าท่านตรัสว่าไม่ได้ออกในชีวิตที่เราชาติเนี้แต่จะออกในชาติหน้า หรือชาติไหนๆอ่ะเรียกว่ากรรมอันนี้เนี่ยจะไปตามเอาตามทันเอาชาติหน้าเพราะฉะนั้นจะมีอยู่สามอย่างนี่แหละวันถ้าเราเข้าใจได้เนี่ยเห็นไหวันตอนที่เราทำบุญใส่บาตรพระพยายามเนี่ยอย่าไปขี้โลภอย่าไปหวังผลตอบแทนอะไรเสร็จแล้วพอใส่บาตรเสร็จก็ต้องระวังจิตให้ดีด้วยนะต้องให้เป็นจิตต้องเป็นกุศลด้วยเพราะมีเหมือนกันบางคนพอใส่บาตรไปแล้ว รู้สึกเสียดายมายกตัวอย่างบ่อยมากเลยแบบบางทีโยมมาถวายข้าวของหรือว่าถวายอาหารพระถวายเสร็จก็คอยตาเป็นเลด้าเลยนะคอยดูท่านจะฉันให้หรือไม่ฉันท่านจะใช้ให้หรือว่าไม่ใช้ให้คือคอยดูถ้าไม่ใช้ให้บางทีหรือว่าไม่ฉันให้รู้สึกเสียใจอันนี้ผิดพลาดอีกแล้ว วันทำบุญเสร็จแล้วนี่คุณเจ้าสอนว่าจบเลยคราวนี้จบจริงๆต้องจบต้องจบก็คือว่าถือว่าเราได้ไดทําบุญไปแล้วให้มีบิติให้มีความอิ่มเอิบใจที่เราเนี่ยได้ทําดีไปแล้วได้ทําบุญไปแล้วไม่ต้องไปดูว่าบางทีเอาอะไรนะเอาเสื้อผ้าไปให้น้องเอาข้าวของไปให้พี่เอาซื้อ กองฝันอะไรไปให้พ่อแม่เงี้ยก็ดูว่าพ่อแม่หรือว่าพี่หรือว่าน้องเขาจะใช้ไหมหรือบางทีเขาก็ใช้นะแต่เขาใช้แบบืรุนแรงหน่อยก็ใช้แบบไม่ระวัดไม่ระมะัดระวังให้เราเอาอีกแล้วเห็นเมื่อไหร่ก็แหมรู้สึกเศร้าหมองใจนดูซิอุตสาซื้อให้ใช้แหมใช้ไม่ทนุถนอมเลยเอาแหละแลวจิตเราก็เศร้าหมองเนี่ยอย่างนี้แสดงว่ายังไม่ให้จริง ยังเป็นเจ้าเข่าเจ้าของอยู่นะให้จริงก็มันก็เป็นของเขาแล้วอะ่ะถูกต้องไหมถ้าคุณถวายพระท่านจะฉันหรือไม่ฉันก็เป็นของท่านอยู่แล้วอะ่ะไม่ใช่ของคุณแล้วแต่จิตของผู้ให้เนี่ยให้แล้วยังนี่เขาเรียกว่าไม่ให้ขาดจริงให้แล้วยังยังคิดว่าเป็นของตัวเองอยู่เลยเห็นไหมแล้ะคนส่วนใหญ่ถ้าถ้าไม่เข้าใจตรงเนี้ย จะรู้สึกอย่างนี้จริงๆด้วยเพราะ ว, วันนี้บอกแล้วนะให้แล้วให้เลยนะให้ขาดนะจบเลยเวันที่เขาบอกว่าให้สอนให้จบจบเนี่ยพอทำบุญใส่บาตรพระเสร็จแล้วก็จบเลยเนี่ยก็ให้จบจริงๆจบที่ใจเราเนี่ยจริงๆไม่ใช่จบแค่ที่มือคือยกมือขึ้นมาปะนมแล้วก็จบไม่ใช่ต้องจบที่ใจถ้าใครเข้าใจอย่างนี้ได้ทาบุญไปแล้วจะ เกิดกูโลจิตจิตจะดีจิตจะผ่องใสนะบางทีทําบุญไปแล้วนะก็อะไรอ่ะมาเคยยกตัวอย่างปรากฏว่าใส่บาสเสร็จหันหลังกลับมาโอ้โหลื่นหกล้มคือจะไม่มาคิดอ่ะจะไม่มาทวงบุญคุณนะไม่แบบว่าโอ้โหแบบใส่บาสเสร็จแล้วดูสิทําไมยังซวยอย่างนี้หกล้มหัวแตกเอา้า จะไม่อย่างงี้เลยเพราะมันคนเราเรื่องกันแล้วนะทําบุญเราก็ได้บุญไปเลยไอ้ส่วนที่เราหกล้มเราประมาทเราไม่ระวังนะหรือว่าบิบากกรรมอะไรมาตามทวงทําให้เราหกล้มแล้วก็หัวแตกอันนั้นน่ะมันกรรมอื่นมันมาตามเราแล้วแต่บุญที่เราทําก็คือบุญที่เราทํานะอย่าไปหลงอย่าไปปนเปนกันแล้วก็เลยทําให้คราวนี้พอทําบุญไปแล้วก็ไม่ค่อยผ่องใส จิตใจเราก็ไม่ดีเลผลอเผอพานคิดเขาเรียกว่าจิตพานเน่ยจิตพานนี่คือจิตโง่เขลานะเลยพานพระโลโชเกไม่ใส่บาตรรูปนี้แล้วใส่บาตรรูปนี้แล้วหกล้มหัวแตกอันนี้นะจิตมันพานแล้วมันมันโง่จิตไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจสัจจะไม่เข้าใจความเป็นจริงนะอ้อันนี้เนี่ยอาตมาพูดมาให้ให้รูใ้ให้เข้าใจว่า อย่างวันสำคัญพวกนี้ทำไมเราต้องรู้แล้วเราต้องเข้าใจแล้วเราจะต้องทำจิตยังไงยิ่งโดยเฉพาะวันมาฆบูชานาะลกีพันเตเมืองแก้วท่านก็บอกเอาไว้แล้วนะเป็นวันจารุรงค์ขัสนิบาทนะก็มีความสำคัญต่างๆเนี่ยหลายอย่างเกิดขึ้นในวันนี้นะจารุรงค์สันนิบาศก็สี่อย่าง อ, าอย่างน้อยๆวันนี้เป็นวันอะไร วันมาคะมาคเลิกเขาเรียกหรือว่ามาคะบูชาเนี่ยนะก็เป็นวันพระจันทร์เต็มดวงแนะเป็นความเต็มเป็นความบริบูรณ์เพราะนั้นวันสําคัญเนี่ยที่ผู้เจ้าประสูตตรรัสดุพิธิพานนะก็เป็นวันพระจันทร์เต็มดวงอันนั้นก็เสบยเลิกอะไรวิสาขาปูรณมีเหมือนกันอ่าเนะียเสบยเิกพระจันทร์เต็มดวงคือเป็น ความที่เรีกว่าทาบุญทํากุศลทําจิตให้ดีนะทาให้มันสมบูรณ์ทําให้มันบริบูรณ์นะทาให้มันดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ตามความสามารถเราอะทาให้เต็มที่อา้าวก็เป็นวันเนี่ยจะข้างขึ้นข้างแรมที่ส5บห้าค่หรือสิบสี่ค่ก็ตามนะอันเนี้ย พูดง่ายว่าเอาเอาสมมุติของดวงจันทร์เนี่ยที่จะเป็นวันที่เต็มดวงอะ่ะคือวันสําคัญเนี่ยก็จะสอดคล้องจะตรงกันว่าจะต้องเป็นวันเนี้ยอ่าเป็นวันที่พูดง่ายว่าถือศีลปฏิบททัติธรรมหรือทําความดีมาจนกระทั่งได้ผลบริบูรณ์ได้ผลเต็มที่นะเพราะนั้นวันมาฆะสนี่ถึงได้เป็นวันเพนเดือนสาม แม้แต่นะจริงๆเนี่ยวันนี้ก็จะเป็นวันหนึ่งที่ผู้เจ้าท่านาปรงอายุสังขารด้วยถ้าจะมาจาไม่ผิดนะเพราะว่าท่านตรัสว่าอีกสามเดือนหลังจากนี้เราจะปริญญิพานใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าอีกสมเดือนหลังจากนี้ก็คือส5บห้า่ำเดือนหแล้วก็ถึงจะเป็นวันวิสาขะเป็นวันปริญญิพานเมพราะฉะนั้วันนี้จะเป็นวันปรงอายุสังขารด้วย คือเป็นวันที่ท่านพูยง่ายว่าตัดสินแลว่าเอออายุจบตรงนี้แหละอายุจบตรงนี้แหละจะไม่ไม่แบบว่าไม่ต่อไปละเพราะสังขารร่างกายเพราะอะไรต่างๆก็ไม่ไหวแล้วนะอันนี้เห็นหเป็นวันสำคัญที่ท่านก็ก็ถือจบเหมือนกันนะเนี่ยอานนั่นอย่างหนึง่งละเพราะนั้น อย่างที่สองก็อะไรเป็นวันที่ภิกษุสงฆ์นะล้วนเป็นพระอาหารหันด้วยโอ้โหคุณดูสูงสุดของาศาสนาพุทธเนี่ยเนี่ยก็เป็นการจบอีกอเป็นการสุดใช่หไหมเป็นการเต็มเป็นพระโสดาบันคืออริยบุคคลของพุทธเนี่ยจะมีเป็นพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีสูงสุดก็คือพระอาหารหัน นะไม่มีสูงกันนี้แล้วพระพุทธเจ้าก็ถือว่าเป็นพระอาหารหันต์แต่เราเรียกว่าพระอาหารหันตตรสัมมาสัมพุทธเจ้านะก็เป็นพระอาหารหันต์เหนี่ก็เป็นความเต็มอย่เหมือนกันอาหารหันต์ทั้งหมด1250รู้ปมาประชุมพร้อมกันโดยไม่ได้นับหมายคุณคิดดูสิโอโคนเต็มเต็มอะ เ ต, เต็มอะไรเต็มนี่คื อ, อหมดกิเลสแล้วอะนะเป็นคนเต็มเต็มเลยพวกเราที่ยังไม่หมดกิเลสเนี่ยยังมีกิเลสอยู่เนี่ยจริงๆยังไม่เป็นคนเต็มเต็มหรอกมันว่าววแหวงแหวงว่า <c oughs> ว่าแหวงแงเรียกกับกิเลสไอ้นั่นเรื่องนี้กิเลสไอ้นี่เรื่องนั้นอะไรต่างๆนะมันก็ทําผิดทําพลาดทาเสียหายทาบกพร่อง เพราะความโลภความโกรธความหลงต่างๆยังมีอยู่เยอะแยะมากมายแต่ตอนนี้เป็นคนเต็มๆลนะเป็นคนที่หมดกิเลสหมดจากความโลภหมดจากความโกรธหมดจากความหมาามลงต่างๆเป็นผู้ที่มีความคิดเห็นที่ถูกต้องนะในทุกเรื่องราวที่ท่านทําลงไปเนี่ยไม่ทําเพราะกิเลสใดๆทั้งสิ้นล้วนแต่ทาเพื่อนะเพื่อคนอื่นๆทั้งนั้นเพราะว่าประโยชน์ของท่านเองเนี่ย ไม่ต้องแล้วนี่ท่านสำเร็จแล้วท่านเป็นอรหันต์แล้วประโยชน์ของท่านท่านไม่ต้องแล้วเรื่องกินเรื่องบ้านเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องยูกยาเรื่องอะไรต่างๆปัจจัยสี่เนี่ยสิ่งจาเป็นในชีวิตอะไรต่างๆท่านก็ใช้นิดหน่อยใช้เล็กน้อยท่านกบพอแล้วท่านแทบไม่ต้องไปแย่งซั์แย่งราบแย่งยกอะไรใครแล้วไม่ต้องเลย ท่านอยู่สบายของท่านแล้วนะปลดปล่อยหมดทุกอย่างไม่ต้องไปมีภาระดีสินไม่ต้องไปมีการจะต้องไปแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นอะไรกับใครทั้งสิ้นเห็นไหมเนี่ยถ้าเป็นคนเต็มถ้าเป็นคนบริบูรณนะ์ไม่ขาดไม่เกินอะไรแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดดูสิพระอรหันต์ทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่น้อยนะหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบรูป โอ้โหคุณว่าน้อยๆเหรอยเยอะมากเลยนะอาตมา ร, รู้สึกว่าแค่นี้ก็เยอะมากแล้วก็ล้วนเป็นพระอาหารหันเนี่ยบอกแล้ลวล้วนเป็นคนเต็มๆด้วยนะไม่ใช่ครึ่งคนไม่ใช่ครึ่งคนด้วยหายากมากๆเลยทุกวันนี่บางทีหาพระอาหารหันสักองเป็นไงโอ้โหเรายังไม่รู้เลยจริงหรือว่าไม่จริง มีนะมีผู้ประกาศพระอรหันต์แต่ไม่รู้จริงหรือว่าไม่จริงก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นหายากมากๆอันนี้ต้องพันกว่ารูปเสร็จแล้วมาที่สาคัญก็คือมาโดยไม่ได้นัดหมายเนี่ยหมายถึงว่าใจตรงกันเห็นไหมใจของผู้ที่เต็มแล้วเนี่ยใจของผู้ที่ป่าศจากกิเลสแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าใจเต็มไม่ไม่ต้องอยากได้นั่นไม่ต้องอยากได้นี่อีกแล้วคือใจเต็มเนี่ยใจอิ่ ม, ใ จ, มใจพอแล้ว เพผู้ที่มีใจอิ่มใจพอเน้ยใจท่านตรงกันจะไม่มีเป็นอย่างอื่นจะเหมือนกันเพราะนั้นก็คิดตรงกันเป๊ะเลยว่าเอ้ยจะต้องไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าในวันนี้เนี่ยวันมาคะเนี่ยท่านก็มาโดยพร้อมเพียงกัน